พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าประตูบุญประตูกรรม คณะัาธาญาติโยมเห็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาแปลกแตกต่างหลายองค์นะวันนี้นะถ้าสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนะ เ, ออเหมือนกันนั่นะแหละวันนี้เป็นวันที่สิบสาม พฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าครูบาอาจารย์มาจากจารตรทิษมาจากนครราชสีมาแล้วกัท่านรัตนามาแล้วก็หลวงตาด็อกเตอร์ที่เคยจำพรรษาวัดของเรา วันนี้มาพร้อมกันหลายองค์ต่างคนต่างองค์ก็ต่างมีธุระที่จะมาพูดคุยสนทนาแต่องค์ที่นั่งอยู่ติดหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดนครราชสี ม, มาเดี๋ยวนี้ท่านมารัก มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดเก่าแก่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ <c oughs> คือวัดหลวงปู่สิงขันตยาขโมที่เป็นแม่ทับธรรมสมัยยุคหลวงปู่มั่นที่ท่านประกาศพระศาสนาในยุคสมัยต้ น, ตน น้องชายของท่านก็คือหลวงปู่มหาปิน่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มหาปิน่นต่อมาก็มีครูบาอาจารย์มีท่านหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเข้ามารักมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันต่อนั้นมาก็มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ เนี่ยก็มาถึงเนี่ยสรุปแล้วก็คือวัดป่าสารวันเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วงหนึ่งช่วงที่หลวงปู่สิงขันตยาคโมรลวงจุตินนรพานก็มีท่านองค์คมวันตีด็เตอร์ชาวไปเห็นประทาศของครูบาอาจารย์ ท่านก็เลยสร้างมนต์กไว้ที่วัดป่าสารวันสมัยนั้นหลวงพ่อเองเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านก็ให้องค์หลวงตาไปเป็นประธานส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านองค์ขบนตรีท่านดเรเฉาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงตาก็รับจากนั้นก็ไปปฏิสถานที่วัดป่าสารวัน ที่ท่านองค์มูลนิเป็นประธานกับลูกน้องบริวารของท่านจากนั้นท่านก็นได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์วัดสุทาวาสที่ท่านทำคุณประโยชน์ให้เติมใสในพระพุทธศาสนาเรีว่าวัดป่าสารวันเป็นวัดเก่าแก่ดึกดำบรร น, นต้นตระกูลของพระกรรมฐานว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดเพราะลองรองจาก หลวงปู่มั่นกันน่หลวงปู่สิงห์จากนั้นก็หลวงปู่เทศที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากนั้นก็ท่นานก็ได้รงรยไปตามอายุสังขารจะทำยังไงได้ถึงจะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนกับผลที่สุดก็ถึงจุด อายุไขไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราพระองค์พร้อมหมดทุกอย่างบุญบารมีหมดพร้อมทุกอย่างแต่ผลที่สุดก็หมดเหมือนกันเพราะร่างกายสังขารใช้ไปใช้ไปมันอยู่ในสภาพ อันนี้จางทุกขังอนัตตาหมดสภาพตั้งแต่ต้องปรินิพานพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มากต่อมากเพราะว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกถ้านับจากนี้ไปกันส5นห้าเจดปีนานขนาดไหนถ้าเราคิดดูแล้วก็ เอาพระชนมายุของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็ปิดแปดสิบปีเนะ่เอาเร่อยปีเลยก็แล้วกันมันชั่วกี่คนจากนั้นปีนับถอยหลังดูสิสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปีเป็นชั่วกี่ชีวิตนี่แหละสรุปแล้วก็คือโลกวัตะสงสารนั้นเนี่ย ถึงเราจะทําคุณงามความดีหรือจะทําสิ่งไหนก็าตามก็มีจุดจบของชีวิตเพราะร่างกายมันทนไม่ไหวแต่ถึงยังไพพงพถอะนีพระพุทธเจ้าของเราท่านพระองค์พระพุทธองค์บอกว่าตรัสว่าพวกท่านหลกหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตน้อยนักไม่นาน แต่พตระพระองค์ยืนยันว่าตายแลย้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายในช่วงยังมีชีวิตอยู่นะอย่าหลงอย่าลืมตัวอย่าชะล่าใจให้ประกอบคุณงามความดีถ้าพวกพวกท่านทั้งหลายทำกรรมดีคิดดีทำดีพูดดีเป็นบุญเป็นกุศลสร้าง ส, างสมบุญกุศล ถ้ว่าคิดดีทําดีพูดดีนั่นแหะคือกุศลแหะถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนั่นแหะคือบาปไม่กุศลทางที่เป็นบาปเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงคิดดีทําดีพูดดีเมื่อท่านทั้งหลายคิดดีทําดีพูดดีการทําดีคิดดีพูดดีนั่นแหละความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกท่านคือจะเข้ามาสู่นามะธรรม คือที่มองไม่เห็นนะคือนามธรรมจุดนั่นะเป็นคลังแล้วก็เป็นที่รองรับบาปเป็นที่รองรับบุญถ้ามากู้ไรทำบุญคิดดีทำดีอย่างที่ว่าความดีก็จะเข้ามาสู่ที่ใจเข้ามาสู่ใจของท่านผู้นัน้นถ้าคิดชั่วทำชั่วความชั่วก็จะเข้ามาสู่จิตใจของคนนั้นในเมื่อเข้ามามันให้ผลต่างกันเ เมื่อเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วถ้าว่าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วเข้ามาครองใจของคนนั้นเมื่อเราหลุดออกจากภพนีิชาตินี้แนะแต่บางครั้งเอาเถอะบางทีกรรมชั่วยังให้ผลในภพนีิชาตินี้อีกต่างหากเพราะเราทำคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วพอหลุดจากอกชาตินี้ไปแล้วกรรมชั่วไม่ใช่มัจะหยุดอยูเพียงนั้นให้ผลส่งต่อไปอีก ไปเกิดในพบใดชาติใดก็กรรมชั่วให้ผลติดตามไปเรื่อยๆตกต่าไปเรื่อยๆเพราะหลไรเพราะกรรมชั่วให้ผลแต่ส่วนกรรมดีให้ผลเมื่อเราทํากรรมดีแล้วพบน้ชาตินี้มีชีวิตอยู่ก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเพราะไปนะักสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับเพราะมีแต่คิดดีทดําดีพูดดีให้กับชุมชนสังคม คนทั้งหลายก็ยอมรับกันทวนหนาเนี่แหละความดีกับความเลวเความดีกับความชั่วมันให้ผลต่างกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ให้ประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งนั้นที่มันเลวถึงนนที่มันชั่วอย่าทำเพราะทำแล้วจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่ หลวงพ่อยกแล้วยกอีกอย่างท่านพระโมกคาลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธยาวในชาตินี้ท่านพร้อมทุกอย่างจนได้เป็นถึงอัครสาวกเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทสี่ท่วนหน้าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกทางขวาขวามือพระโมกคาลาเป็นอัครสาวกทางซ้ายมือคือซ้ายขวา ใหญ่ขนาดไหนสูงขนาดไหนมีเกียรติขนาดไหนในยุคนั้นแต่พระโมกคาลาถูกโจรฆ่านาะมันน่าคิดเหมือนกันนะทั้งที่ท่านก็มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินฟ้าใดอีกต่างหากดำดินบินบนอีกต่างหากรู้จักอดีตอนาคตอีกต่างหากรู้ทุกอย่างแต่ทำไมจึงถูกโจรฆ่านะ นี่แหะอันนี้พระพองค์บอกว่ากรรมกรรมของโมกขลาในอดีตชาติโมกขลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติแต่นั้นพระโมกขลาจึงใช่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ก่อนหน้านี้ก็ถูกฆ่ามามาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะว่าการทำกรรมจุดนั้นคราวนั้นทำกรรมหนักมากแต่ว่าอนันตเรียกรรม ค่าบิดาข่ามารดาจจัดเข้าในอนันตริยกรรมมาห้าอย่างมาทุขาดข่ามารดาปิดตุคาดข่าบิด า, อ ร, าอรหันตะคาดข่าพระหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอสังกเภทยุโยงสงให้แตกกันแต่ทุกวันนี้การยุโยงสงให้แตกกันต้องระวังระวังเหมือนกันนะ เพราะเหตุไรเพราะการที่จะพูดจะกล่าวเท้าเราไปชอบใจกับองค์หนึ่งเราไปถือหางองค์หนึ่งไปถล่มอีกองค์หนึ่งทั้งที่ท่านไม่ได้มีความผิดอะไรเราพวกเราไปจับข้างหางข้างใดข้างหนึ่งถล่มกันอีกข้างหนึ่งอันนั้นแปลว่ายุโยงสงให้แตกกันไปเอาเวจีได้ง่ายๆเปิด ประตูอเวจีให้ตัวเองเข้าไปอยู่ได้ไง่ายๆไม่ใช่ประตูสวรรค์นะประตูอเวจีเพราะอ น, นันตรียกรรมห้ามาตุขาดอารหันตะคาตโลหิตุบัตสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันนี่แหละอันนี้ก็คือการสร้างบาปกรรมท่านพระโมกคาลาเนี่ยปว่าฆ่าพ่อแม่จากนั้นท่านก็ถูกฆ่ามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติ พอมาถึงชาติปัจจุบันนี่ก็โจรก็ฆ่าท่านที่เมืองที่กรุงแขวเเขตแขวงกรุงราชาคฤห์เมืองกาฬสีลาเป็นให้เขาว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของกรุงราชาคฤห์นั่นนะนะพระพุทธองค์ก็ตาัดว่าโมคราสมคลาสมควรตายแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้พระพุทธองค์จะทำยังไง ถึงจะพระโมกคลาจะมีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนก็เถอะไม่เหนือกรรมเพราะนั้นกรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าถ้าทำโชคเป็นพระมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนก็เถอะถ้าว่ากรรมชั่วตัว น, นั้นมันยังให้ผลอยู่ต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือการสังสมบาสสังสมบุญ แต่ในครั้งพ ร, พระพุทธเจ้าของเราเนี่ก็เถอะในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านปาราบถึงพระโกการิสพระโกการิกคือเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตองค์หนึ่งหรือ ว, ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านองค์นี้รู้สึกว่ามีประวัติไปทางาดูดูแล้วมีประวัติไปทางเลวหรือ ว, ว่าพระพุทธองค์ก็ ยกมาในอดีตใชาติก็รู้สึกว่ามีเรื่องได้หลายอย่างพระโกกาเล็กเนี่ยแต่ลมายุคนี้หลวงปู่ข่าวนะวัดธรรมกองเพลนะท่านก็บอกว่าสมัยนั้นเราได้เกิดพบพระพุทธเจ้าอยู่ท่านวัดนะอันนี้ท่านได้พูดนะให้พูดกับพวกพระที่อยู่ใกล้ชิดท่านฟังเราได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เราได้ไปพบ ไปเข้ากับหมู่พักโกกาลิกเป็นลูกศิษย์พักโกกาลิกนพอตายจากนั้นเราจะไปตกนรกใช่ช่วระยะหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะเหตุใดเพราะว่าเราไปเข้าใจผิดเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่ผองพักโกกาลิกนั้นพักโกกาลิกคำนี้เนี่ยคือเป็นหมุ่งกลุ่มของเทวทัศน์ส่วนหนึ่งที่ท่านพระพุทธองค์ปาราบในคราวนั้นก็คือพักโกกาลิก ไปสร้างวัดอยู่ในไปอยู่ในชนนบทคนทั้งหลายเขาเขาเาบนับถือเลื่อมใสเพราะเขาไม่มีพระแต่นี้พระอัครสาวกทั้งสององค์ท่านก็เลยปรีกไปวิเวกไปก็บอกว่าโกกาลิกท่านไม่ต้องพูดนะเราจะมาขอจำภรรษาในที่นี่ในระแวกนี่ละท่านอย่าพูดว่าเรามานะท่านพระโกกาลิกก็ไม่พูด เพราะอยากจะให้ไม่อยากจะให้พระสาวกนี่เด่นดังอยู่แล้วถ้ารู้ว่าจากักรู้จักว่าพระสาวกนี่เด่นดังขึ้นมาตัวเองก็จะอับเฉาเนะนี่ยแหละความอิจฉามันมีระดะบเด็ดใ น, นท่านก็ไม่พูดพระอาคลาสาวกท่านก็อยู่ด้วยความผาสุขของท่านพอออกพรรษาแล้วท่านก็บอกว่าเออโกกาเล็กเราจะไปแล้วนะนะอนนี้ท่านพระโกกาล็กบอกญาโจงก็ได้ เออพ่อปโกกะเล็กหนี่งมุ่งหวังก็คืออยากจะได้ลาบอยากจะได้ลาบจากญาติโยมพอถวายเออแถวโกกะเล็กเขาโอ้นี่นะพระอาคาศสกมาจํำราษากับเราหน้านี่กําลังจะไปนี่ เ, เขาน่ะโอ้พระอาคาสาวกเหลือเนี่ยโอ้ทำไมไม่บอกฮง เ, เขาก็มาลมมาตุ่มมาตุ่มมาลุมมาเท่นี่เขาลบนับถือเรื่มใส เ, เป็นแสงอาทิตย์เป็นแสงเดือนขึ้นมาทั้งคู่เลยต้องเป็นทั้งพระอาทิตย์ต้องเป็นทั้ง ดวงเตือนนะโกกาเล็กเนี่ยเป็นหิงห้อยเนีอาจจะไม่มองเขามองไม่เห็นอีกต่างหากเลยเขาก็ถวายเจตุปัจจัยเทวธรรมของบริจาคอะไรให้มากแต่นี้พระโกกาเล็กพระอัคคาสาวกหนึ่งท่านคงจะไม่เอาไปมัง้งท่านคงจะให้เราน่แต่พระอัคคาสาวกท่านมองดูแล้วมันโกกาเล็กเนี่ยคุณธรรมในจิตใจ มันมองมองเลยมันลิบหลี่มันมองไม่เห็นแล้วท่านจะมอบให้อย่างไงเนี่ยมอบให้คนใครจะของไทยธรรมที่เขาจะถวายมันน่ะมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามอบเข้าไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันเป็นบุญเป็นกุศลท่านก็จะจะมอบให้อันนี้ท่านก็รับเสร็จแล้วท่านก็เอาให้แบ่งกันนะแบ่งกันนะแต่พอเดี๋ยวท่านก็ไป ท่านมาด้มอบให้โกกาเล็กทีเดียวโกกาเล็กจเสียใจแต่บาปภาษาอัคระสาวกไม่ให้ความสําคัญกับตนเองเพก ค, ความโรุระความโลภในใจอยากจะได้อยากจะอยากจะได้สมบัติอยากจะได้ของใช้อยากจะได้ผกผ้าพวกอะไรที่เขามาถวายพระอักขระสาว ก, ออกเดินไปเขาก็จะจงโอ้พระท่านถึงยังไงก็ขอให้มา แล้วหาพวกข้าพรเจ้าโดยเทินเออท่านก็โปรกรลิกก็นิมนต์อีกเห็นเขายึกนิมนต์ก็นิมนต์อีกอางนั้นก็อัครสาวกท่านก็ไปวัดป่าเชต ว, วันทีนี้กลับมาคราวนี้ทอไปพักเสร็จแล้วทั้งออกมาปีกวิเวกเดินทุรงมาเลยมาผ่านตรงนั้นอีกพระทั้งห้าร้อยเลยก็มาอยู่ที่นั่นอีกทีนี้ก็ตัวเองก็เหมือนกับหิงห้อยอที่เหมือนกันยิ่ง ก, กว่าหิงห้อยซะอีก มืดนเม็ดความอิจฉาในใจบอท่วมท้นเลยแต่ น, นี่ยอ่อิจฉานะพน้นทั้งสุขเข้ามาอ克拉สาวกเดินผ่านไปแตงโกไม่ได้พักนานกโกกาเล็เนี่ยมาฟ้องพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยตามมาฟ้องอีกว่าอ克拉สาวกเนี่ยเป็นพ่อผู้ลกนะูกโลกโหมกันนอไม่มีคุณธรรมย่างนู่นยังนี่ก็ว่าไปเนะพราคนอิจฉากั น, นใช่ไหมล่ะ อ้สิ่งนี้ที่มันไม่ดีก็หาเรื่องใส่เข้าไปพราะพระองค์ท่านรู้ท่านบอกเอโกกาลิกนั่นแหละเธอไม่ใช่เป็นนั้นนะนี่แ่ละเป็นผู้มีคุณธรรมนะอัครสาวกทั้งสองเนะ่ะเธอควรจะไปเคารพท่านทะกราบซะนอบน้อมอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นหนทางแห่งนรบเป็นหนทางแห่งบาปอย่าทํานะโกกาลิกนะ ไม่ยอมฟังมีแต่ความไม่พอใจมิแต่ด่าอย่างเดียวนะเออโผล่ในสูตรก็เลยออกจากวัดปา่าเชทวันพอชาตินั้นนะเป็นเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นขึ้นมาในร่างกายเนี่ยบาปกรรมให้ผลแล้วนะท่านพอเป็นผื่นขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเท่าเม็ดเข่าโพดเท่าเม็ดมะขามเข่าเม็ดใหญ่ขึ้นมาจนเม็ดถึงลูกตุ่มลูกตาเนี่ยร่างกายแตก พระสงฆ์ทางหลายก็บอกโกกาลิกให้ไปคารวะพระอครสาวกซะจะได้หายบาปกรรมไม้ข้าไม่เพชรว่าอครสาวกเพชรอพญญาคนมันเป็นอย่างงั้นนะอเรื่องทิฏฐิ ม, ม, มันไม่มองมันไม่มองเห็นตัวเองว่าความผิดของตัวเองคือจุดไหนนะฉะนั้นพระอุปชาพระอุปชาท่านได้เป็นพระนาคาหมีพระอุปชาพระโกกาลิกเนี่ยขั้นไปอยู่ชั้นผะ พรมสุทธว่าท่าชั้นอวิหาอัตฐปาสุรรษาสุสีรรอคนิฐานอคนิถาพรมพรหมนะท่านเออทำไมโกกาเล็กทำอย่างนี้เนอะที่ทั้งที่เราบวชให้เราควรจะไปเตือนเขานะท่านก็ลงมาจากพรหมนะอพอลงพาจากพรหมก็ยั้งอยู่ในอากาศานิธดเมตเหมือนพระอุปช า, นะาโกกาเล็กเธอทำอย่างไรทำไม่ถูกนะ ท่านนะควรจะไปกราบคารวะพระสาวกซะขอโทษซะท่านเดี๋ยวเธอจะทําอย่างนี้มันไม่ดีเรานเป็นพระอุปชาของท่านนะอเป็นพระอุปชาของเธอเนี่ยนะเราขึ้นไปอยู่ฉันพรมแล้วเนี่ยมาเตือนเธอด้วยความหวังดีทั้งที่ท่านจะยอมรับนะไม่ยอมรับอีกเอ้ยพระพระทุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอุปชาของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่เออ ชั้นพรมเป็นอพระอนาคามีแล้วไม่ลงมาไม่ลงกลับลงมาอีกท่านกลับลงมาเนะี่ยแสดงว่าท่านเป็นอกลุ่มยักษ์กลุ่มไหนก็ไม่รู้ล่ะข้าไม่เชื่อพุทมนะขนาดนั้นอีกเออไม่เชื่อกระทั่งพรมลงมาท่านจําแรงอาจจะเป็นยักษ์เป็นโขเป็นผีที่ไหนก็ไม่รู้จะมาบอกข้าข้าไม่เชื่อพรมพระอุพราชที่เป็นเป็นพรมแล้วก็หมด หมดหวหนทางที่จะสอนอีกเหมือนกันนั่นะคน ม, นมันมันสุดสุดมัน ส, สุดสุดขนาดนั้นนะทำบาปกรรมเพราะนี้เธก็เลยพระอุปชาก็เลยหายแป๊บก็ไปสู่พรมพรมพระอนาคามนะีตัวเองก็เลยทนบาทพิษแผลไม่ไหวก็เลยตกนรกไปสู่นรกพระโกกาลิก ทังที่บวชมานานนี่แหละสรุปแล้วก็คือทําบาปกรรมเพราะความอิจฉาความอิจฉาเป็นหลักความอิจฉาพยาบาทคือเห็นคนอื่นเหนือกว่าทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะความอิจฉาไม่ได้คิดว่าพระอัครสาวกนั่นสั่งสมบา ร, รมีมาในอดีตชาติเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบา ร, รมีมาเท่าไหร่ แต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันบุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนเราจะให้มันเหมือนกันเราจะให้ต่ำกว่าเราได้อย่างไงเราในทำมาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดไม่ใช่วัดมองในปัจจุบันอย่างเดียวมันต้องมองถึงอดีตด้วยอดีตอดีตกรรมที่ได้กระไว้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยคนโบ ร, ราณก็จึงให้คติธรรมหรือสอนลูกสอนหลานว่า แข่งเรือแข่งแพรแข่งความมันขยันแข่งกันได้แต่แข่งบุญบารมีมันแข่งกันไม่ได้แต่ดูๆแล้วออมองอยู่อย่างนี้แะแต่ว่าในอดีตชาติเขาทำกรรมอันไหนไว้เขาสร้างบุญอันไหนไว้ไม่มีใครรู้แต่ละกรรมนอกจากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกที่มีญาณรัศนะท่านมองดูในอดีตว่าได้ทำกรรมอันไหนไว้ เขาจึงรวยในภพนี้ชาตินี้เขาจึงประสบแต่โชคดีมาตลอดเพราะเหตุไรเแต่คนนี้เนีไมเกิดมาในสกุลแต่พอธรรตกอับล้อยล้อลงไปเรื่อยๆทำไมแต่คนนี้ทาไมทำไมเขาเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้เพราะมีที่ไปที่มาทั้งหมดเรียกว่ากรรมคือการกระทา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเบื้องตน้นเพราะนั้นกรรมชั่วอยากทำเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราทำแต่กรรมดีกรรมดีให้ผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นไม่มีใครจะที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราในขณะนี้ตั้งแต่เราเกิดมารู้เดียงสาภาวะ ได้แล้วเนี่ยเราคิดไปในทางไหนคิดดีคิดชั่วทำดีชํำชั่วพูดดีพูดชั่วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นทบทวนดูถ้าทบทวนดูแล้วเออที่ผ่านผ่านมาเนี่ยโดยมากมันมีแต่ทางเลวมีแต่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแ่้วข้าพเจ้าจะลดละในสิ่งที่มันคิดเป็นอกุศล ทำสิ่งที่เป็นบาปพูดสิ่งที่เป็นบาปข้าพเจ้าจะประกอบแต่คุณงามความดีพูดให้น้อยสร้างบุญกุศลให้มากแต่ละวัาเนี่ยเราจะพูดอะไรมีแต่สวดอธีพิโส พ, พระกวารหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนอย่าไปพูดอีหาอีผีบักนั่นบักนี้บักเรวบักชั่วอย่าไปพูดเพราะว่าเราพูดมานานแล้วตัวนั้น ตั้งแต่บทที่เป็นต้นไปเราก็นะโมตัสสะพระเขาวาโตเนี่ถ้าใช้วาจาให้ใช้วาจาเป็นเป่งวาจาอย่างนี้นะอข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นจากนั้นก็อิติปิโสพ ร, ระกวารหังสัมมาสัมพุทธโทสวารค์โทสุปฏิปันโนเอีมีแต่ใช้วาจาไปในทางที่เป็นกุศละอ ที่เบนบาปอกุณโที่เราเคยด่าเคยว่าเคยดูถูกปริมาตรใครอื่นมาก่อนนะยศการกระทําก็เหมือนกันงดในการฆ่าสัตว์งดในการาขโมยทรัพย์คนอื่นงดในการผิดสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นาวาจาของงดกล่าวเ ท, ท็จกล่าวโซเสียลพูดคําหยาพูดสำหรับเพื่อเจ อ, เอาทางกายาแล้วก็งดกินเหล้า เราจะไม่กินเหล้าเราจะไม่ดื่มสุราเราจะไม่ให้ขาดสติคันชายาฟินเฮโรอีนทั้งหลายทั้งปวงยาเสพติดทั้งหลายยดึดเราให้มีสติสัมปะชัญญาอยู่กับตัวเองอันนี้นหละคือกายส่วนใจของเราข้าพเจ้าจะไม่คิดโลกพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาเห็นผิดจากทํานองครองทา เราจะคิดไปในสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะไม่คิดชั่วเนี่ยแหละการทำกรร ม, มทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมคิดยังไงโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองคลองทำคาว่าเห็นผิด อยากทำนองครองธรรมน่ยมันกว้างขวางนะแหมมันกว้างขวางเพราะนั้นพวกเราคณะชาติา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วกรรมชั่วจะทำเสด็ดีกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้นะปุเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติทุนหลังได้เป็นญาณอันหนึ่งที่ญาณที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูนะ้นยืนยันเลย ในหลักธรรมพราะนั้นพวกเราอย่าไปหูหนวกตาบอดยืนยันเอข่าไม่เชื่อตายแล้วสูญมาเห็นใครมาบอกชช่มันใครจะมาบอกร่างกายมันตายหลวงพ่อเปรียบเทียวน่ะร่างกายเหมือนกับรถนะพี่น้องลูกหลานนะแต่จิตใจนะ่ะเหมือนกับคนขับรถนะ่ะเ อ, อรถคันนี้นะ่ะเผาไฟทิ้งแน่ๆไปเอาเข้าวหงชุวยแน่ๆอีกสักวันหนึ่งแต่โซเฟอร์นะ่ะจุดนั้นนะ่ะ โซเฟอร์ออกจากรถ่ยไปที่ไหนไปหาเกิดที่อื่นๆได้โซเฟอร์แต่หลักธรรมคาสอนท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถเพราะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถทําไมเป็นพระบรียืนยันเลยว่ามโนปุพังขมาธรมมามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังอีวะโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโวยโซเฟอร์ในเมื่อโซเฟอร์ขึ้นรถคันนี้เนะี่ยขับรถไปเนะี่ยเหยียบคันเร่งก็จะตัดเครื่องแลวเหยียบคันเร่งหักพวงมาลัยไปชนกำแพงก็ได้ ลงข้างถน น, นก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็ได้ เ, เพราะโซเฟอร์แต่ถ้าไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ติดเครื่องมันอยู่ก็ที่เนะี่ยโซเฟอร์ยังไม่ขึ้นขับเออมันก็อยู่อย่างนั้นรถมันยังไม่ไปไหนแต่พอคนขึ้นขับเท่านั้นนะท่านยิงว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดยโซเฟอร์ลแล้วสุดท้าโซเฟอร์จะขับไปยังไงถ้าหากรถที่จะไปได้เนะี เป็นไซดแต่ให้รถปีนข้นต้นไม้เหมือนขึ้นไม่ได้เป็นสุดวิสัยของรถนะอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันให้ปีนขึ้นต้นไม้สูงๆชันๆก็ไม่ได้ร่างกายเราก็ต้องหาวิธีอย่างอื่นแต่ถึงยังไงก็ตามใจของเราต้องเป็นผู้เป็นผู้บังคับร่างกายแต่ตัวโซเฟอร์ตรนนั้นล่ะมันไม่ตา ย, ยแต่ร่างกายมันตายแน่ แต่จิตใจคือนมามธรรมตัวนั้นไม่ตายไปหาเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้ตัวนั้นแหละเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปความดีทั้งหลายทำเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจดวงนั้นเข้าไปหาโซเฟอร์นั้นถ้าความทําชั่วโชเฟอร์นั้นได้รับถ้าทําดีโชเฟอร์ได้รับนะแต่รถไม่ได้รับนะรถเนี่ยเป็นวิบากกรรมในอดีตแต่ชาติเท่านั้นเองที่นําเป็นร่างกายของโชเฟอร์นั้นนะ ฉันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพอ่ออธิบายให้ฟังหลวงพ่ออย่าพึงเชื่อให้ไปคิดถูกกูนก่อนคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดินใจเชื่อจริงไหนอย่าไปเชื่อแบบพูดอะไรขึ้นมาแล้วก็เชื่อไปหมดโดยมากมันเป็นนั่นแนหะทุกวันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นไปเห็นกล้วยออกกลางลำก่อน เอาดอกไม้ถูกเทียนไปปักไปขอเหล็กหอกข อ, ขอหวยขอเบอร์ฮะหมาออกสี่ขามันพิการข้องมันกว่า น, นั้นไปกราบไปไหว้ศรัทธาแต่ศรัทธาเสียหายมันไม่ถูกต้องศรัทธาความเชื่อจุดนี้ต้องมีเหตุมีผลต้องฟังฟังให้เข้าใจแล้วก็หาเหตุผลในการได้ยินได้ฟังนะั้นมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหน หลกศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนให้เชื่อนี่ยเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อน่ะไม่ใช่มีอะไรก็เชื่อไปหมดไม่ได้เดี๋ยวลุงพ่อได้ยกพูดว่าดูก่อนสารีบุตรนะที่เราตถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่ะ้พระข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติดูในเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพระองค์จะมากราบทูนพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่า น, ะนี่แหละลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นหลานเป็นเหลนเป็นสุดท้ายภายหลังฟังสิ่งไหนก็ตามฟังให้เพื่อการศึกษาภาคฟังเพื่อการเรียนรู้แล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็ยอมรับยอมรับรับโดยหลักเหตุผล เพราะนั้นไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะปฏิเสธไปหมดมีอะไรก็เชื่อไปหมดนะถ้าปฏิเสธไปหมดก็เหมือนตาบอดนะป่าตาปัญญามันบอดมองไม่เห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วนะถ้ารับทั้งหมดกันะมีอะไรก็รับหมดก็เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเนะพราะนั้นให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบก่อนจะปฏิเสธก่อนจะเชื่อสิ่งใดนะตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร